สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีมา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิตพระเยซูตอนที่สามอสิบเ้าเรื่องทาอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เก้าสิบสี่ขอทรงโปรดนาท่ารงทั้งหลายไม่ให้เข้าสู่การทดลองแต่ขอให้พ้นจากขึ้นชั่วร้ายพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานําอธิษฐานทำนี้ในวันนี้ก็จะมาถึงวัน รองสุดท้ายนะครับสําหรับเสียงของคำอธิษฐานเวลาที่เราอธิษฐานว่าขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเราจะต้องเห็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในการต่อต้านความชั่วรไยที่พระเจ้าให้กับเราซึ่งเป็นส่วนของเรายุทธศาสตร์แรกนั่นก็คือการที่เราต้องยอมรับว่าศัตรูของเรานั้นมีจริงและศัตรูของเรานั้นมีริเยา ยุทธศาสตร์ที่สองก็คือเราจะต้องเอาตัวออกห่างจากความชั่วร้ายแล้วต้องหลีกหนีหลีเกเลี่ยงจากความชั่วร้ายการที่สามก็คือเราจะต้องต่อต้านต่อต้านอันตรายเราจะต้องต่อสู้กับมันและมันจะหนีท่านไปยุทธศาสตร์ที่สี่ก็คือยุธทธศาสตร์ของความพร้อมเราต้องพร้อม โดยการเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อเราจะไม่ต้องถูกการทดลองที่นัครับเนื้อหาสาระในเช้าวันนี้ก็คือเมื่อเราอาธิษฐานการนําไปสู่การปฏิบัติในเรื่องของการตัดสินใจว่าเราจะอธิษฐานคําอธิษฐานนี้ขอทรงช่วยข้าพรงให้พ้นจากทุกข์ทั่วไปหรือขอทรงช่วยท้าพรงให้ท้นจากมาราย เรากำลังทำการตัดสินใจครับตัดสินใจที่จะให้พระเจ้านั้นคุ้มครองครอบครอง้านขังเราซึ่งการตัดสินใจนี้นะครับจะนำให้เกิดผลสองประการก็คือเราจะได้รับกาลังกาลังอันเกิดจากความตั้งใจความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเชื่อความพระเจา้า เพรนเมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ขอให้เรามีความเชื่อครับเมื่อเรามีความเชื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้เรากําลังตัดสินใจให้ได้รับกําลังจากพระเจ้าที่จะเข้ามาถึงตัวของเราเราตั้งใจเราที่จะเชื่อความพระเจ้าแต่เมื่อเราตั้งใจที่จะเชื่อความพระเจ้าความตั้งใจอย่างนั้นมันจะทําให้เราพ้นจากซึ่งตัวร้ายได้หรือมันจะทําให้เรา ม e ีใครชนะต่อการทดลองการร่อลวงของมารซาตานได้เรากําลังนําตัวของเราเองมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าครับเรานําตัวของเรามาอยู่ฝ่ายพระองค์เพื่อต่อสู้กับมารไซเราตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับเมื่อเราตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากพรานําตัวเองมาอยู่ฝ่ายพระเจ้าเราก็จะได้รับกําลังสำหรับความตั้งใจและการตัดสินใจนี้ คือผลลัพธ์ประการแรกเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงช่วยภาโครงให้พ้นจากทึ่งทั่วรานพี่น้องครับมีคำพูดหนึ่งเขียนไว้อยู่าครับว่าคุณจะไม่มีกําลังที่จะเชื่อฟังจนกว่าคุณตัดสินใจที่จะเชื่อฟังคุณจะไม่มีกําลังที่จะเชื่อฟังจนกว่าคุณตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพี่น้องครับการตัดสินใจที่จะเชื่อฟังทําให้เราได้รับกําลัง ทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นจากทิ่ชั่วร้ายผ่านพ้นสอบได้ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นการทดลองเป็นการทดสอบและผ่านพ้นจากเหตุการณ์ที่จะนำเราให้ตกก็คือการล่อลวงของมารดานี่คือผลลัพธ์ประการแรกครับผลลัพธ์ประการที่สองเมื่อเราตัดสินใจอธิษฐาน ว่าขอทรงช่วยพระองค์ให้ค้นจากซึ่งตัวร้าย น, นั้นเราตัดสินใจให้พระเจ้าคุ้มครองเราเรานำพระเจ้าเข้ามาอยู่ในประสบการณ์หรือนำพระเจ้าเข้ามาให้ครอบครองสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราพระเจ้าทรงพระสิบัญญาตครับทรงทรงฉลาดความรู้เยอดแยะฉลาดตัวพวกเราทั้งหลายเยอะแยะมากมายหาเปรียบไม่ได้ครับและ ความรู้ของพระองค์นั้นก็ยากที่จะเรียนรู้ได้หมายความว่าพระองค์นั้นทรงมีความรู้ทั้งรู้ในอดีตรู้ทรงรู้ในปัจจุบันและทรงรู้ในอนาคตทรงทรงรู้ทีที่เราจะเอาชนะความชั่ว์ลาได้ปกป้องเราได้หารักษาเราได้ที่น้องครับคนที่มีประสบการณ์เช่นนี้ก็คือผู้เขียนสะดู ด, ดี ย้อนกลยิ่งกษัตริย์ดาวิดครับทั้งชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนั้นก็อยู่ในพระคุณความรักของเจ้ก่อนที่กษัตริย์ดาวิดจะขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการกษัตริย์ดาวิดนั้นมีประสบการณ์ในการคุ้มครองอารักขาชีวิตของท่านและทรรคพวกของท่านให้พ้นจากพิษภัยร้าก่อนที่ท่านจะเถลิงอำนาจก่อนที่จะเป็นกษัตริย์ดาวิด ต, ต้องหลบหลีการไล่ล่าของกษัตริย์ซาอุล สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทําให้สร้างเสริมประสบการณ์ของศาสนาวิทย์ให้เห็นถึงพระคุณและความรักและการปกป้องอาถารพ์ที่มาจากพระเจนะครับพี่น้องครับมีพุมพีตอนหนึ่งนายสุดีบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างบ้านคนที่สร้างก็เหนื่อยเล่าวถ้าไปจ้างไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนครคนยาที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าซึ่งผมได้อ่านอินไปเมื่อหลายวันก่อนนี้ พี่งครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องพิถูดว่าพระเจ้าสามารถอารักขาพระเจ้าพิทักษารักษาคนของพระองค์ได้เมื่อเราอธิษฐานเรามาขอให้คนจะขึ้นผูร้รายนั้นเรากําลังบอกกับพระเจ้าหลังจากที่เราตัดสินใจอธิษฐานตัดสินใจที่จะมีค่าที่ที่เชื่องนะครับเรากําลังตัดสินใจให้พระเจ้าคุ้มครองอารักขาเราครับจากตรงนี้นี่เองนะครับผมอยากจะยก พ้อความที่ในสนทรีบทที่หนึ่งร้อยี่ิเอ็ดข้อที่เจ็ดและข้อที่แปดบอกว่าพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยัญตรายทั้งสิ่นอาเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าจะทรงอารักขาเราครับเราทั้งหลายทุกคนให้พน้นจากพยัญตรายทั้งสิ่นอาเมนนะครับและพระเจ้าจะทรงอารักษาการเข้าออกของท่านการเข้าออกนี้หมายถึงการเดินทางหมายถึงการไปไหนมาไหนการเข้าออกบ้าน การเข้าออกเฮาวิหารการเข้าออกเยรูซาเล็ม น, นะครับจริงัๆเ่านี้ครับก็คือการที่ท้าษายปกป้องให้คนจัดอันตรายอารักขาเราในการเข้าออกของเราเพียงครับก่อนที่ผมจะจบในวันนี้นะครับวันนี้เราได้พูดถึงผลลัพธ์สองอย่างเวลาที่เราอธิษฐานว่าขอให้คนจัดทึ่ตัวอะไรผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสใช้เวลาสักสองสามนาทีนะครับนในการใไส่วนว่า ในแต่ละวันนั้นเราควรขอการคุ้มครองปกป้องอารักขาฝ่ายยืนยานสำหรับเราและคนใกล้ชิดสำหรับสมาชิกในครอบครัวของเราสำหรับสมาชิกในชั้นระดับของเราอะไรบ้างนะครับเราคิดถึงใครไหมครับที่เขาได้ตกสอบต ก, ตกมาหลาครั้งทีเดียวและชีวิตของเขานั้นก็จมปลัดอยู่กับ ความบาปความผิดทั้งหลายเนี่ยนกับอาจจะเป็นเราก็ได้ที่เราไม่สามารถเอาชนะบางสิ่งบางอย่างได้ในชีิตของเราเนี่ยนกับหากเราอยากจะมีชีวิตที่มีใครชนะเราจะต้องพิจารณาให้ควรและอธิษฐานทําอธิษฐานนี้ครับในชีวิตของเราเราจะต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเผื่อคนอื่นและคนอื่นก็จะอธิษฐานเผื่อเราแล้วลองตอบตัวเองครับว่า มีด้านในด้านใจในชิตของเรานะั้นที่ต้องา ก, การการคุ้มครองจากพระเจ้าเราอาจจะลองรีส์ดูนะครับเขียนเขียนเป็นข้อๆเขียนเป็นประเด็นที่น้องครับแล้วเราอธิษฐานกับพระเจ้าทีลประเด็นนะครับหลายหลายคนพอได้เริ่มเขียนเราก็จะเห็นว่าเราได้เห็นวิธีหรือ ความลับที่มารสาสานมันโจมตีเราเราได้เห็นจุดอ่อนเราได้เห็นจุดแข็งเราเห็นวิธีที่จะเอาชนะมันมได้จริงมั้ครับวิธีที่เราศัตรูของเรานั้นโจมตีเราเราถูกโจมตีในอดีตนั้นสามารถนํามาเพื่อใครชนะในอนาคตได้สามารถนํามาเพื่อที่จะคาดการอนาคตได้ว่า เราจะแพ้มันหรือจะชนะมันเมื่อเราบรรลุสิ่งเหล่านี้เราจะรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นครับพี่น้องตื่นตัวมากขึ้นนะครับว่าเราต้องการการคุ้มครองการารักษาเรื่องใดบ้างในอนาคตจากพระเจา้านะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับบางคนอาจจะคิดถึงวิธีที่พระเจ้าปลดปล่อยเราครับวิธีที่พระเจ้าช่วยเราวิธีที่ พระเจ้าคุ้มครองเราให้ภาคแพล้วให้หลุดออกจากซึ่งชั่วร้ายทั้งหลายหลุดออกจากการประสบอุบอัติเหตุไว้แต่เล่หลุดออกจากวิกฤตต่างๆ ท, ที่เข้ามาในชีวิตนะครับนี่อาจจะเป็นในด้านต่างๆทั้งขวาร่างกายจิตใจจิตวิญญาณสังคมพี่น้องครับทุกๆด้านในชีวิตของเรา ล้วนแล้วแต่ต้องการรับการปกป้องอารักษาคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าทั้งสิ่นขอพระเจ้าอวยพรเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเนือการทดสอบทดลองร่อลวงทั้งหลายและในเวลากันเราจะพ้นจากซึ่งชัวร้ายและมานร้ายอาเมนีน